มีหลวงพ่อองคหนึ่งนะที่จังหวัดอุดรใครๆเรียก หลวงพ่อว่านี้ว่าหลวงพ่อดีเนา ะ, นะเคยได้ยินหอหลวงพ่อดีเนา ะ, นะพวกที่อยู่สุโขทอดเคยได้ฟังไปแล้วนะส่วนที่มาใหม่คงไม่เคยเพราะว่าท่านเจออะไรท่านกา็มองว่าดีไลยหมดนะเป็นพระที่ไม่มีความทุกข์นะอารมณ์ดี าท่านมีคนนิมนต์ท่านไปฉันนะไปฉันในงานงานบุญแล้วก็จะมารับท่านบอกว่าท่านก็รอไม่มาลับสักทีท่านก็เลยบอกเออดีเนะาะฉันที่วัดเรานี่แหละ พอท่านลงมือฉันได้ไม่กี่คำรถก็มาคนขับบอกว่าขอโทษด้วยเพราะหลวงพ่อรถมันเสียก็เลยทำให้ช้าท่านก็ว่าดีเนาะนะไปกินที่งานดีกว่าปรกว่าขอขึ้นรถไปรถก็เกิดเสียขึ้นมาคนขับก็ซ่อมรถซ่อมอยู่นาน เพื่อนก็นไม่ติดสักที <c oughs> นะก็เลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยกันเข็นรถหน่อยหลวงพ่อท่าน <c oughs> แกแล้วแต่ท่านก็ไม่บ่นนะท่านก็เออดีเนาะได้ออกกำลังกายปกากฏว่ากว่ารถจะถึงวันถึงงานมันก็เลยเที่ยงแล้วเป็นนั้นว่าไม่ได้ฉัน แค่นั้นไม่พอนะมันได้เวลาแสดงธรรมพอดีก็เลยนิมนต์หลวงพ่อขึ้นแสดงขึ้นทมมารแสดงธรรมท่านก็ว่า <c oughs> ดีเนาะนะมาถึงก็ได้ทำงานเลยนะฉันก็ไม่ให้ฉันนะแต่ว่าถ้าท่านก็แสดงธรรมแทนทางจบคนก็เจ้าข้าก็เอากาแฟมาถวายท่านแต่ว่า เกิดทิพลพ น, นะอาการที่อใส่น้ำตาลก็ใส่เกลือท่านฉันทัานก็ไม่วายก็ยินนะลูกศิษยนี่ไม่รู้นันลูกศิษยรอเห็นท่านฉันเหลือก็เลยฉันตามขอขอฉันกาแฟที่เหลือ mm. ของพ่อก็ถือว่าเป็นสิริมงคลฉ mm. ันได้ไม่ทันกลือเลยนะก็กินกื๊ กินกาแฟาได้ไม่ทันถึงคํำนะแค่อึดเดียวก็คนกาแฟออกมาบอกเข้มปีเลยหลวงพ่อฉันได้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าเข็มๆนี่ก็ดีนาะเพราะว่าฉันกาแฟหวานมากๆแล้วฉันเค็มบ้างทนะ่านก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยดีหมดเลยนะมีคราวหนึ่ง โจรขึ้นมาป้นกุฏิท่านนะคือหลวงพ่อถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ก็มีคนมาถวายของเยอะที่จริงหลวงพ่อนี่ก็ไม่ได้เป็นคนหวงทรัพย์อะไรนะแต่ว่าคนมาถวายมากๆตอนนี้นี่แต่ระบายที่ไหนของมีข้าวิญโจรได้ช่องก็อโอกาสมาป้นเอาปืนมาจี้ท่านบอกว่านี่คือการป้นนะหลวงพ่ออย่าขัดขืนนะนั่นคือยิ้มนะ วก็้เพราะว่ า, ามาป้านก็ดีเหมือนกันนะ <c ười> ดียังไงแฟนก็ตอบว่าข้าวของนี่มีเยอะนะไม่รู้จะระบายยังไงดีแล้วแกมาช่วยระบายไปก็ดีเหมือนกันโจมบอกว่าไม่ได้ป้นอย่างเดียวนะต้องฆ่าเจ้าซั์ด้วยถู่เพอาว่าก็ดีเนาะฆ่าก็ดีเนาะดียังไงก็แกแล้วสังขารก็มากแล้ว นะอยู่บันก็มีแต่ปวดแต่ร้องแต่โอดแต่โอยตายก็ดีเหมือนกันให้โจมันก็ชักตรงแล้วจะเอาอยัางไงแน่ตอนหลังก็ใจอ่อนบอกว่าไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าก็ดีนะดียังไงนะก็ถ้าเกิดแกฆ่าฉันนะันแกก็ นอกจยากจะติดคุกแล้วนะก็ยังตกนรกด้วยเพราะฆ่าพานี่มันบาปเหลือเกินดีแล้วล่ะที่แกไม่ฆ่าพากน้าโจรก็ได้สติขึ้นมาแล้วนะว่าโอ้ัวนี้มาทำบาปนะไม่ว่าจะป้นหรือฆ่านี่ก็บาปนั้นก็เลยยอมยอมแพ้ตำรวจก็มารวบตัวไป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 มีอะไรท่านก็มองเห็นเป็นข้อดีไปหมดตอนที่ท่านได้ตั้งรับสมณศัติ์นะท่านได้เป็นพระเทพเลยนะพระเทพวิสุทธิวิสุทธาจารย์สาธุธรรมสาธุอุทานธรรมวาที <c oughs> สาธุอุทานธรรมวาทีนะแปลว่าพระผู้แสดงธรรมด้วยการ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 เรื่องราวในพระไตรปิฎงนี้บางทีเราก็เสือ ม, มันไกลพระคุณ น, น้านี่ท่านไม่ว่าท่านจะจะเจออะไรท่านก็คิดว่าดีไปหมดนะไม่ว่าคนเขาจะด่าท่านท่านก็ว่าดีดีกว่าเขามาทุบตีเขาทุบตีก็มองว่าดีนะดีกว่าเขาเอาก้อนเห็นมาคว้าง ก็เห็นมาคว้างก็ทก็ว่าดีนะดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดพ่อ ม, มาบ่ฟาดท่านก็ว่าดีนะดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงเอาของแหลมมาแทงแล้วก็ว่าดีนะดีกว่าเขาท่ายตายแล้แต่ตท่ายตายท่านก็ว่าดีนะดีตรงที่ไม่ต้องเหนื่อยไปเอามีดมาทํร้ายตัวเองหรือไปจ้างคนมานะ <c oughs> ท่านมองแบบนี้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 คนเรนนี้ก็มีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นพอเจออะไรที่มันต่ากว่ามาตรฐานนี่ก็ไม่พอใจแนละ้วก็จะเห็นข้อตำหนิเห็นข้อผิดพลาดเพราะมันมีมาตรฐานสูงๆอยู่ในอยู่ในหัวนะแต่ถ้าลอไม่มีมาตรฐานที่ว่างกนดูบ้างนะหรือว่าใช้มาตรฐานที่ต่ำก็ได้ใช้มาตรฐานที่ต่ำ ไม่ใช่มาตรฐานที่สูงอันนี้พอะอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีไปหมดแต่เวลาเราล ง, ลงมือทำนะเราลงมือทำเราก็ตั้งใจทำเต็มที่นะไม่ใช่ว่าทำแบบหยดๆใหญ่ๆทาแบบเกียดคร้นะรานพองานออกมาไม่ดีก็บอกว่าดีน้อดีน้อยก็ไม่ใชนะ่ต้องใช้ให้เป็นนะคือใช้กับ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 เมตตาจิตความปรารถนาดีขึ้นมาเราก็สามารถที่จะทําให้เขาจากร้ายกลายเป็นดีได้อันนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าพุณเอาชนะความชั่วด้วยความดีแต่จะใช้ความดีของเขาก็ต้องเห็นความดีของเขาก่อนถ้าเห็นความดีของเขาเราก็ทํำดีก็ได้ง่ายขึ้นอันแล้วก็เตรียมรับพร